ตอนที่บวชนั้นเนี่ยก็กระสับกระส่ายนึกถึงแฟนนึกถึงนางชนบทคู่รักของตัวพระพุทธองค์ก็ใช้ฤทธิ์เนี่ยทให้พนันธาเนเห็นนางอับสอนเทวดาในสวรรค์เยอะแ ย, ยะไปหมดเลยเป็นนิมิตเห็นนางอับสอนสวยงามมากสวยงามกว่านางชนบทกัลยาณีซี<ม>ก็เกิดติดใจขึ้นมามก็เลยลายความคิดถึงคู่รักของตัว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 จะเดินเข้าไปในป่าไปพิจารณาไอ้เสื้อผ้าที่ตัวเองเคยสวมใส่ตอนเป็นขลือหักพอเห็นเสื้อผ้าเหล่านี้ก็นึกถึงความยากลำบากว่าโอ้ยตอนเป็นคฤือหัดเป็นคารว่านี่มันลำบากแท้สู้เป็นพระไม่ได้ไอ้ความคิดจะสืกอมันก็ฝอลงไปเลยก็กลับไปใหม่พอเบื่อพอที่จะสื้อก็เข้าไปในป่าทอย่างี้อยู่หลายครั้งจนคนถามว่าไปทาอะไรแกก็บอกว่าไปหาอาจารย์